เกิดในขันบ้างเกิดในไข่บ้างเกิดในเท่าใครบ้างเกิดเป็นโอปปาติกะบ้างเกิดในนรกบ้างเปรตบ้างเดรชานบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเนี่ยนะปฏิสนธิจิตโดยประการต่างๆที่วิจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่พ้นประจักรอำนาจของขันธมารเนี่ยนะขันธมารก็พาไปสู่ชราและมรณะกิเลสมานก็ร่าร้อนด้วยราคะเร่าร้อนด้วยโทสะแล้วก็เร่ำร้อนด้วยโมหะนนแล้วก็ยังเป็นไปตามอำนาจของอะไร อภิส <brid ling for instance styles> ังขารมานกรรมก็ฉุดไปเนี่ยนะกายกรรมก็พาไปวจีกรรมก็พาไปมโนกรรมก็พาไปนี่ก็มาดูว่ากายกรรมของเราเนี่ยเป็นบุญมากหรือบาปมากวจีกรรมที่เราพูดเนี่ยเป็นบุญมากหรือบาปมากมโนกรรมที่เราคิดเป็นบุญมากหรือบาปมากนั่นแหละคืออภิสังขารเนี่ยนะเป็นมานเพราะพาไปสู่ปฏิสนธิไลไปสู่ชาติชราและมรณะเนี่ยนะก็โวนกรรมวัดวิปากวัดเนี่ยนะ เราวงจรแห่งวัตตะเนี่ยนะวงจรแห่งวัตตะวงจรของชราตชาติชรามอรณะสมณะพราหมณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะอะไรพ้นพ้นไปจากบ่วงมานได้ก็เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่หนึ่งยนะที่ใช้ชีวิตหมกมุ่นกินแต่หญ้าของนายพรานเนื้อฝูงที่หนึ่งใช้ชีวิตกินหญ้าของนายพรานตลอดฉันใดสมณะพราหมณ์บางกลุ่มก็ ฉะนั้นมีจิตใจมัวเมาลุ่มหลงคิดเฉพาะเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสผลใครมาคุยเรื่องอื่นต่างต่างจากเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะเรื่องพะมาคุยเรื่องกุศลนะเขาไม่เอาละคุยได้เฉพาะเรื่องมหาพูดเขาจะหมกมุ่นในมหาพูดตลอดเวลารูพูดเรื่องว่าจะทํายังไงจะได้มหาพูดโดยที่ไม่ต้องสละมหาพูดติดหมกมุ่นในมหาพูดเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุใกล้ มีธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นเหตุใกล้นะครับเบื้องหลังของสีสวยๆก็คือดินน้ําไฟลมเบื้องหลังของเสียงเพราะก็คือดินน้าําไฟลมเบื้องหลังของกลิ่นหอมๆก็คือดินน้ําไฟลมเบื้องหลังของรสที่อร่อยอะไรทั้งหมดทั้งหลายก็คือดินน้ําไฟลมเบื้องหลังของสัมผัสที่เรารับกระทบทั้งมวลเนี่ยนะจะดีขนาดไหนก็คือธาตุดินน้ําไฟลมดินน้ําไฟลมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วามหาพูดเนี่ยนะลอกเนี่ยนะ หลอกว่าเหมือนเป็นจริงเป็นจังเหมือนสุขภาพเราเนี่ยแหละมันหลอกมาเหมือนกับว่ามันไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยเลยนะอย่างกานั่งนึกถึงตัวเองเนี่ยเหมือนกับมันไม่ป่วยเป็นเลยนะมันเหมือนกับว่าโอ้ยมันแข็งแรงมากมันอย่างงั้นอย่างงี้เอาเข้าจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งะจะยกขามันแทบไม่ไหวใครเคยเป็นขาเน็บขาช้ามั้งอ่ะอ้ยแค่นั้นเราก็รู้แล้วว่ยนี่มันขนาดนี้เลยหรอเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่ามันจะอะไรมากมายขนาดนี้ขาเน็บขาเป็นชาเข้า แล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะขา ม, มันหมดแรงไปเฉยๆอย่างนั้นแหะแทบจะยกไม่ไหวเลยนะโอ้เอาเข้าสีเนี่ยนะนี่นี่ขน า, า, นขาดเขาเรียกว่าเตือนๆนะทดลองดูนิดๆหน่อยๆเนี่ยน ะ, ะเอาเข้าจริงมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะก็เห็นหลายๆคนที่บางทีก็หนักๆข้าแหมฟันของเราฟันดีเคี้ยวอาหารกรอบเอาเข้าจริงๆเชื่อไหมเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้ต้องใช้สายยางแล้วนะนะเคยมีคอแมมกลืนได้ทุกอย่างก็ชักกลืนไม่ได้ก็เจาะสายยางแล้วกัเนี่ยนะ ไปเห็นคนที่ยิ่งไปป่วยเป็นโรคหลอดลมด้วยนะเป็นกลุมล่มโรคกลุม่มหลอดลมอักเสบกลุ่มโรคหลอดลมที่ต้องเจาะคอเจาะคอแล้วพูดก็ไม่ได้เนี่ยนะโอ้ยดูท่านทุกร้อนลําบากเรื่อร้อนกันแท้เนี่ยนะก็นี่แหละวัตตาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะสัตว์ที่อยู่ในวัตตามันก็ต้องพยายามว่าเออเราไม่คิดจะหาทางออกเลยหรือชีวิตของเราจะจมอยู่แค่นี้หรือที่สุดของสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนหรือว่าโอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเนี่ยนะ เอาวันนี้ให้มันรอดก่อนเถอะอย่างไงนะอย่าไปคิดอะไรมากพรุ่งนี้มันยังอีกนานเนี่ยนะอย่างงี้ยว่าแต่ถ้าอย่างงี้ก็เชื่อเถอะในโลกนี้เนี่ยนะชีวิตโลกนี้ที่ยังเจริญอยู่ถึงปัจจุบันเพราะคนเขาเขาคิดเรื่องอนาคตอนาคตควรจะเป็นอะไรอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ท่านออกบวชเป็นเนี่ยเพราะท่านคิดเรื่องอะไรท่านคิดเรื่องท่านตอนนั้นท่านยังหนุ่มนะอายุ29ปีเนี่ยแบบคนที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ย สุขภาพดีคนมีบุญมากทานอะไรก็ย่อยหมดสุขภาพเยี่ยมเลยว่างั้นเถอะแข็งแรงที่สุดในโลกเนี่ยท่านเห็นคนแก่ปับ๊บท่านสังเวชเลยโอ้เดี๋ยวเราก็เป็นนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยสักวันหนึ่งพอเห็นคนป่วยปับ๊บท่านนึกเลยสภาพของท่านจะต้องป่วยแบบนี้เห็นคนตายปับ๊บท่านก็น้อมมันนึกว่าเราต้องตายแบบนี้เห็นวัฏฏะปับ๊บท่านเห็นความทุกข์ยากทั้งปวงแล้วท่านก็รู้ว่าเราเองยังไม่ได้พ้นจากสภาพเหล่านี้เล ย, เลยก็น้อมไปเพื่อที่จะ ออกจากสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นถ้าไม่คิดจะน้อมออกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมเอาไหมเป็นไก่ไม่80ล้านตัวใช่ไหมตอนนี้เพราะว่าแววๆนะแปดสล้านตัวแต่เชื่อว่าปกติเนี่ยบางบางประเทศเนี่ยก็ตายปีละพัน ล, ล้านอยู่แล้วเนี่ยนะเชื่อดันมากมายขนาดนี้จะตายอะไรแค่ น, นั้ น, นทันทีว่านั่งเนเพราะปีหนึ่งเนี่ยไก่ตายเท่าไหร่อ่ะพันไก่ก็ไปจากไหนก็ไปจากเพลิดเพลินหมกมุ่นใน รูปเสียงกลี่ยนรสเนี่ยถ้าเราเระลึกชาติอดีตของไก่ได้ไก่นั้นมาจากไหนก็มาจากอากุศลกรร ม, มบททั้งหลายที่พลาดแล้วนําไปเกิดเป็นไก่แล้วตอนที่ทําอกุศลกรร ม, มบทเป็นอะไรเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดามั่งเนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดจากมนุษย์ไปสู่นรกเปรตอสุรกายแล้ววกมาเป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่เดรัจฉานและบางทีก็จากเดรัจฉานวกกลับไปนรกคืนเนี่ยนะ แล้วนั้นที่จะโผล่มาเป็นมนุษย์ด้วยกรรมแต่ปางไหนไม่รู้มานําเกิดเนี่ยนะทีนี้อัธยาศัยนี่มันอัธยาศัยของสัตว์ในอบายอันนะัอัธยาศัยของสัตว์ในอบายแต่บุญนี่มานําเกิดใจมันก็เฮี้ยมโหดเนีย่ยนะอัธยาศัยของของเดรัจฉานแต่ว่าร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยนะบุญในสมัยปางไหนไม่รู้มานําเกิดเนี่ยนะมันก็เลยมีอัธยาศัยน้อมไปที่จะก่อกรรมทํา ความชั่วใช้ชีวิตเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างทําร้ายประโยชน์แก่ผู้อื่นปัจจุบันและต่อต่อไปมุ่งประทุษร้ายมุ่งทําลายสร้างแต่ทุกโทษให้แก่ตัวเองต่อไปนี่เราก็ต้องมาทบทวนว่าเราอยู่ฝูงที่หนึ่งไหมฝูงที่หนึ่งไหมถ้ายังนึกไม่ออกว่าอริยสัจจะเห็นได้เมื่อไหร่เนี่ยนะยังไม่นึกไม่ไม่มีวี่แววเลยเอ๊ะมันจะเห็นอริยสัจจริงหรือเราเนี่ย มันจะได้บรรลุมรักผลรสชาตินี้ชาติหน้าอีกกี่ชาติเราจะได้บรรลุแม้เนื้อหาหนทางไม่เจอเลยอัศรูแต่ว่ากลุ่มที่หนึ่งสนิทแน่ยังงนะทีนี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยฉลาดขึ้นกับกลุ่มแรกบอกดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายสมณะพราหม์พวกที่สองมาคิดเห็นร่วมกันคือเขามาปรึกษาร่วมกันแล้วว่าพวกสมณะพราหม์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่เบญจา ก, กามคุณ ของมารอันเป็นโลกามิตรลืมตัวบริโภคเบญจากามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในเบญจากามคุณนั้นลืมตัวบริโภคเบญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาณเมื่อประมาณก็ถูกมารทําเอาได้ตามความชอบใจในกามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณะพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่หลุดพ้นไปจากอํ า, านาจมารได้เพราะฉะนั้นสมณะพราหมณ์กลุ่มที่หนึ่งก็ยังเวียนท่องเวียนวไหวตายเกิดอยู่นั่นแหละ ก็มาสรุปว่าแล้วพวกตัวทําไงดีเอาเถอะก็ เ, เสนอทางเลือกใหม่วิธีเลือกที่สองอนอี้ดีกว่าเราต้องงดเว้นจากการบริโภคเบญจากามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิน้นเอทีนี้ถ้าเราจะเลิกบริโภคการมคุณได้ทําไงดีก็ต้องเข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าคิดอย่างนี้ก็เลยงดเว้นจากการบริโภคเบญจากามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียสิน้นเมื่องดเว้นจากการบริโภค เบนจกกรระกามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิน้นพองดเวทจากการบริโภคที่เป็นภัยเสร็จแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นผักสาบัาง้งมีข้าวฟ่างเป็นผักสาบัาง้งมีลูกเดือยเป็นอาหารบัง้งมีกากข้าวเป็นอาหารบัาง มีสาหาร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำเป็นอาหารบ้างมีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีกํยานเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีโคไมไปกินขี้โคเป็นอาหารบ้างมีเงาไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้หล่นเองเยียวยาอัตภาพให้เป็นภายในราวป่านั้นอะไรกินแล้วมันไม่ตายก็กิกนเนอะอย่าง้พวกนี้ก็ไปอยู่ในป่าทีนี้ถามว่าพวกนี้คือพวกไหน อัตตะถาท่านบอกว่ากลุ่มรือสีทั้งหลายมีแนวความคิดแบบนี้แนวความคิดไปอยู่ป่าสร้างเขาเรียกว่าไปทำประพฤติประพฤติเป็นพวกอัตตะกิละมัฐานุโยคคือพวกที่สุดไอ้ไอ้กลุ่มแรกเนี่ยแบบหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรรมแบบสุดๆใช่ไหมไอ้พวกที่สองมันต้องไปเป็นอัตตะกิละมัฐานุโยค ก, กลุ่มที่1เมื่อกี้คือพวกการมมัุขันลิกานุโยคพวกกลุ่มที่สองเข้าไปเป็นอัตตะกิละมัฐานุโยคซึ่งเป็นทางสุดตรงเหมือนกัน ก็ไปอะไรก็ไปบริโภคอาหารอยู่อย่างทุกยากลําบากใช้อิริยาบถประหลาดประหลาดเนี่ยนะอย่างวันก่อนเห็นนักบวชฤๅษีคนหนึ่งถ่ายภาพออกมาทางทางสื่อเนี่ยนะออกมาก็นุ่งลมห่มอากาศนั่งรับนั่งขอทานนั่นแหละมีอะไรหรอกก็นั่งรอรับรูปีอยู่นั่นแหละเยอะมากเลยนะเยอะมากาประเทศเขามีเป็นล้านๆคนน่ยนะก็รวมตัวกันบ า, บางงานเนี่ยมีล้านกว่ามีสองเกือบสองล้านถ้ารวม ท, ท, รทั้งประเทศเลยเนี่ย ถ้ารวมกันทั้งหมดนี่จะเป็นอะไรมีประเภททุกลทัทธิเนี่ยนะมีทุกอย่างรวมกันเพราะฉะนั้นกลนุ่มเหล่านี้พอระดับหนึ่งมันจะพร้อมกระรองเมื่อพร้อมกระรองแล้วทาไงเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันถึงเวลาสิ้นย่าสิ้นน้านําเธอก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกําลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกําลังเรียวแรงหมดไปเจโตก็เสื่อมเรียกว่าเจโตเนี่ยนะเจโตก็เสื่อม เมื่อเจโตวิมุตเสื่อมแล้วเมื่อเจโตวิมุตเสื่อมแล้วพวกเธอก็หันกลับเข้ามาสู่เบญจา ก, กามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นอเองนะก็ในที่สุดก็กลับมาเป็นอะไรก็มาเป็นเจ้าวาดเฝ้าวัดนั่นแหละจะไปไหนก็มาหมกมุ่นอยู่ในรูปสวยๆเ ส, สียงพร้อพร้อเกลี่ยหอมๆทะเลาะ ก, กันเรื่องกุฏิเ ส, สนาสนะนั่นแหละก็หมกมุ่นอยู่ตามนั้นแหละนะ เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปลืมตัวบริโภคเบญจากามคุณก็เลยมัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทําเอาได้ตามใจชอบในเบญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณะพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่หลุดพ้นไปจากอํานาจของมารได้พวกที่ทําตัวแบบอัตตากิริมัถานุโยกไปทําตัวทุกยากลําบากอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเบื้องหลังสุดๆแล้วก็แฝงไว้ด้วยความปรารถนาในกรรมนะ่ยนะ เบื้องหลังสุดๆอย่างเช่นที่พระชะดินสามพี่น้องท่านท่านไปอาบน้ำล้างบาตชําระบาป ท, ท, ท่านทําเพื่ออะไรรู้ไหมลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสและสตรีเป็นต้นเนี่ยนะในที่สุดแล้วท่านจะได้ประจวบ ก, กับสิ่งเหล่านั้นในบ้านปลายมันพวกที่ทําตัวทุกร้อนเดือดร้อนลําบากก็ยังคาดหวังลึกๆว่าระยะยาวตัวเองจะบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยเบญจากามคุณทั้งหลายเพราะนนั้พวกกลุ่มที่สองในที่สุดก็ ไปสร้างความเดือดร้อนทุกยากลําบากในที่สุก็วนกลับมาหารูปเสียงเปลี่ยนรสโภทพะและ อ, อ, อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นที่ตั้งแห่งอกุโสลธรรมทั้งหลายก็กลับมาวงหยุดตกอยู่ภายใต้วังน้ําวนของวัฏฏะอีกต่อไปก็ไม่ได้หลุดพ้นอะไรเลยเนี่ยนะแต่ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งบอกอุ้ยทำมาหมดแล้วเนี่ยนะ พวกนี้ก็ได้แต่โมตรงนี้แหละมันเวลาจะขายเพื่อประตัวเองจะได้ลาบสการะสรรเสริญทําไงเรบอกโอ้ยเมื่อก่อนนะเขาเป็นนักปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะนั่งขายแต่ของเก่ากินเนี่ยนะซึ่งไอของเก่านั้นทํามาจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ทําดีจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ไปที่ไหนก็พร่ำพูดแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเพื่ออะไรก็เพื่อลาบสการะเป็นต้นในที่สุดก็จิตใจก็สยบแล้วก็หมกมุ่นไปไหนต่อ ก็ไปสู่วัตตะพบสามกำเนิดสี่อันนี้เป็นกลุ่มที่ที่สองทีนี้มาดูกลุ่มที่สามนะสมณะพราหมณ์พวกกลุ่มที่สสมณะพราหมณ์พวกที่สามมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าไอ้พวกที่หนึ่งเป็นยังไงรู้แล้วนะไอ้พวกที่หนึ่งนี้เป็นพวกกามมัศุ ข, ขัลีิกานุโยกหมกมุ่นในกามในที่สุดก็ตายคาวัตถุ ก, กามและกิเลสกามตายแบบคนที่มีจิตใจสยบและหมกมุ่นอยู่ด้วยอํานาจของ กามทั้งหลายอกลุมที่สองเจือด้วยอำนาจอ่นะเข้าไปอดอยากทุกทรมานแต่ในที่สุดก็วีเยนกลับมาหาวัตถุกา ม, มากลับมาบริโภควัตถุกามตามเดิมอ่นะในที่สุดก็ไม่ได้ไปนัยรอกเอาแล้วพวกเราทำไงดีพวกเราเขาก็เสนอเสนอหลักการในหน้า398นับขึ้นบรรทัศที่5ถ้าะไรพวกเราจะต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆเบญจากามคุณของมาร อันเป็นโลกามิตรเราอยู่ใกล้ๆเบ็ดนี่แหละเราอยู่ใกล้ๆเหยื่อของวัตตนนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเมื่อเราอยู่ใกล้เหยื่อเหล่านี้แล้วนะเราก็ไม่เข้าไปหาเบญจกามมคุณของมารอันเป็นโลกามิตรเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคเบญจกามมคุณเราก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาเราก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทําเอาตามใจชอบอยู่ใกล้ๆสิ่งเหล่านี้แหละแต่เราไม่ <pe> <Alright>. ต้องบริโภคนะ แกล้งทาว่าเฮ้ยเราไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ไม่ต้องบริโภคสมณะพราหมณ์พวกนั้นคั้นปรึกษาคิดกันอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็อาศัยอยู่ใกล้ๆรูปสวยๆเ ส, สียงเพราะพรๆกลิ่น ห, หอมๆรสอร่อยๆสัมผัส ท, ที่ดีที่เป็นเหยื่อของมารเนี่ยนะที่เป็นเหยื่อของมารในโลกเนี่ยพอไปอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาเบญจกามคุณอันเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณเมื่อไม่ก็ไม่หมวเมาเมื่อไม่หมเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาท มานก็ยังก็เลยยังไม่ถูกมานทำเอาตามใจชอบในการมคุณนั้นแต่ข้อเสียของสมณะพรามกลุ่มที่สามคืออะไรแต่มันแอบอิงมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจเนี่ยนะจิตใจเนี่ยนะไม่หมกมุ่นในวัตถุ ก, การมไม่ทำตัวให้เป็นอัตตะกิละมฐานุโยคแต่อิงอยู่ด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าโลกเที่ยงพวกนี้เป็นสัสตทิฏฐิเนี่ยนะเห็นว่า เห็นว่าอะไรพวกสัตตถิธิก็คือเห็นอัตตาเนี่ยมีรูปอัตตามีเวทนาอัตตามีสัญญาอัตตามีสังขารอัตตามีวิญญาณอัตตาอยู่ในรูปในเวทนาในสังขารในวิญญาณเนี่ยนะผล พ, พวกนี้ก็กลุ่มกลุ่มลัทธิทิฐิ ท, ท, ท, ท, ท, ที่มีอัตตาแล้วก็คิดว่าอัตตาเนี่ยเที่ยงยั่งยืนมั่นคงเนี่ยนะแนะ่นอนแล้วก็ตลอดไปพวกนี้อิงอาศัยสัตตถิธิ ทั้งพวกอะไรเอกัตจสัตต์ทั้งพวกสัสตตทิฏฐิสเอกัตจะสัตตทิฏฐิสอมาราวิเขปสีเนี่ย น, นะพวกพวกอันตานันติกะทิฏฐีอีก4พวกนี้เป็นกลุ่มสัสตตทิฏฐิพวกนี้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกมีอีกอย่างยืนอีกกลุ่มที่หนึ่งนะเพราะฉนั้นพวกนี้อิงเรียกว่าแอบอิงอาศัยมิจฉาทิฏฐิอยู่พวกกลุ่มที่สองอิงอุดเฉททิฏฐิพวกนี้ถือว่าโลกไม่เที่ยงแปลว่าตายแล้วสูญ เพื่อนเอ้ยชีวิตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกมีขี้เท่าเป็นที่สุดไม่ต้องไปทําอะไรหรอกไม่ต้องไปวุ่นวายเราอยากจะบริโภคอยากจะทําอะไรก็ทําไปพวกนี้ถือว่ามีความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตพวกโลกโลกไม่โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงกลุ่มนี้เป็นอันดับข้อแรกนะโลกเที่ยงศัสตาโลกไม่เที่ยงอุเฉทิฐิทีนี้พวกอันตานันติกะทิฏิเนี่ยนะโลกมีที่สุดพวกนี้อันตาทิฏิ อันตานันติกะเนี่ยโลกมีที่สุดอีกอ e พวกหนึ่งก็บอกโลกไม่มีที่สุดพวกนี้เป็นทั้งศสติทิฐิและอุเฉททิฐิพวกโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดพวกนี้ได้กสินนะเป็นสมณะพราหมณ์ระดับสูงที่เจริญกสินได้พวกนี้ขยายไปแล้วเนี่ยวงขยายวงกสินได้แคบมันก็เลยคิดว่าโลกมีที่สุดอีกพวกหนึ่งขยายได้หาที่สุดไม่ได้ก็เลยคิดว่าโลกไม่มีที่สุดเนี่ยบางพวกก็มาอีกว่าบางอย่างมีที่สุดบางอย่างไม่มีที่สุด อีกพวกนึงก็บอกว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นแปลว่าอชีวิตชีพอันนี้ก็เป็นแค่นี้เลยสรุปว่าพวกนี้ถือว่าตายแล้วศูนย์ที่พวกนั้นก็บอกว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งก็คือพวกนี้วินพอตายแล้ววิญญาณก็ล่องลอยหาที่เกิดใหม่เป็นต้นพวกนี้ก็ลักษณะของพวกสัสตตติฐิบางพวกก็คิดว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกสัตว์จริงๆได้มีไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่สัตว์ไม่มีอยู่จริงโดย ปรมาติแต่พวกนี้สําคัญว่าสัตว์มีอยู่จริงโดยปรมัาสัตว์เมื่อตายแล้วเกิดอีกอันนี้เป็นสัสตตะอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกพวกนี้นก็ตกอยู่ใต้อุเฉททิฏอีกพวกหนึ่งก็บอกเฮ้ยบางทีก็บางพวกก็เกิดนะเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีพวกนี้นเป็นอะไรเอกจัตสัสตทิฏอันนี้พวกนี้เป็นพวกเอกจัตสัตทิฏ ส่วนบางพวกโอ้ยตายแล้วก็ไม่ใช่ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พวกนี้ปลาไหล อ, อมาราวิเขปะทิฐิพวกนี้ดิ้นรนดิ้นไปดิ้นปลาดิ้นไปดิ้นมาไม่ตายตัวอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้สมณะพราหม์พวกที่สมตกอยู่ภายใต้อำนาจมิจฉัทิฐิ10ประการนะ น, นะตกอยู่ภายใต้อำนาจมิจชาทิฐิมีวัตถุสิบประการเหล่านี้แล้วก็ไม่หลุดพ้นจากอำนาจของมาน ไปได้เพราะทิฏฐิเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เกิดการย so ึด like, ถือเรียกว่าอุปาทานเมื่ออุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพวกนี้เป็นที่ถูกปาทานที่ถูกปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและ อุปาญาต์ความเป็นไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุกข์ก็เป็นไปอย่างนี้เพราะเชื่อคือมิจฉาทิฐิเนี่ยมันเป็นเชื้อของการเกิดในพบใหม่ใครว่าภาวะทิฐิเนี่ยนะภาวะทิฐิถ้าตกอยู่ภายใต้อำนาจทิฏฐิสิบข้อข้อใดข้อหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานอันนั้นแหละเป็นปัจจัยจึงมีพบจึงเป็นปัจจัยแก่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรร ม, กรรมก็เป็นปัจจัยจึงมี ชาติเนี่ยนะกรรมมพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติก็จะเกิดในภพใดก็ตามเกิดในกำเนิดใดก็ตามเกิดในคติใดก็ตามวิญญาณทิติใดก็ตามสัตว์ตาวาดเหล่าใดก็ตามก็ไม่พ้นประจักษ์ชาราและมรณะเป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตความผิดพลาดของสมณพราหมณ์พวกที่สามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เข้าใจผิดอยู่ตรงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะพวกนี้ไม่เข้าใจมชิมาปฏิปทา ไม่เข้าใจข้อปฏิบัติสายกลางที่เป็นไปเพื่อความรู้นะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเมื่อไม่รู้จักข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานก็แอบอิงในสกายะทิฏฐิบ้างแอบอิงในสกายะทิฏฐิมีวัตถุ20บ้างแอบอิงในสัสตทิฏฐิแอบอิงอยู่ในอุเชททิฏฐิแอบอิงอยู่ในสกายะอุเชททิฏฐิมีวัตถุห้า นะแอบอิงอยู่ในสตตะทิฐิ15หรือแอบอิงอยู่ในทิฐิหกเนี่ยนะแอบอิงอยู่ทิฏฐิที่ปรารบอดีตแอบอิงอยู่ในทิฐิที่ปรารบอนาคตแอบอิงอยู่ในมิจฉาทิฏฐิที่ปรารบความขาดศูนย์เนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าจะอิงอยู่ทิฏฐิใดสรวัทิฐิเหล่านั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากภาษะและเวทนาภาษาเวทนาก็มาจากอายตนะอายตนะก็เป็นปัจจัยจึงมี ภาษาภาษาเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาตัณหาตัวนั้นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฐิทั้งตัณหาและทิฐิเรียกว่าอุปาทานก็เกิดความยึดถืออย่างเหนียวแน่นตัวความยึดถือตัวนั้นแหละสภาวะที่ยึดถือคือทิฐิตัวนั้นแหละก็นําไปสู่พบใหม่เนี่ยนะไปนําไปสู่การทํากรรมเพื่อพบใหม่เพรา ะ, ะนั้นขึ้นชื่อว่าพบก็เต็มไปด้วยชาติชราเมรณะสรุปว่ากลุ่มที่สามไม่ได้พ้นจาก มานคือไม่ได้พ้นจากชาติชรามมรณะอะไรเลยเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สามถูกในพรานล้อมเอาไว้ฉั้นใดลัดที่สมณพราหมณ์กลุ่มที่สามนี่ก็เหมือนกันเพราะถูกมิจฉาทิฐิทั้งห้อมทั้งล้อมทั้งพัวทั้งพันเนี่ยนะเหมือนกับไม่เอาอะไรเลยนะพวกนี้เหมือนกับไม่ยึดถือไม่เหมือนกับว่าปล่อยวางแต่ว่าอิงอาศัยอยู่ในมิจฉาทิฐิกลุ่มเนี้่ศีลจะดีดีระดับหนึ่งแต่ว่าทิฏฐิวิบัติเนี่ยนะ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเนี่ยปฏิเสธทิฏฐิได้ไหมปฏิเสธสัมมาทิฏฐิได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะมันถ้าสมมติไม่ครบองค์แปดแล้วไม่สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะถ้าอิงอาศัยมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งเนี่ยนะทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสารพิษเนี่ยนะสารพิษตัวนี้ถ้ามันก่อตัวขึ้นได้เนี่ยนะเป็นเป็นตัวพิษที่ทําให้ไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็กลายเป็นพิษ แล้วมันก็แตกตัวอีกเป็นพิษเนี่ยนะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดแปดเป็น16 16เป็น32 6สิก็เป็นร้อยแปก็แตกตัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมิจฉาทิฏฐิมันก็ค่อยๆขยายแผ่ขยายในความคิดไปเรื่อยๆเมื่อทิฏฐิเหล่านี้ขยายในความคิดถ้าตัวเองมีบุญเก่ามากเสนอมิจฉาทิฏฐิเหล่าใดไปคนก็เห็นด้วยเมื่อคนเห็นด้วยก็ถือเออทิฏฐินี่แหละเยี่ยม ทิฏฐินี้แหละถูกต้องทิฏฐินี้แหละนําออกจากทุกซึ่งตรงกันข้ามความรกคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิห่วงน้ําคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความแห้งแล้งอดอยากนิ้วห้อยกันดานก็คือมิจฉาทิฏฐิถูกตาขายคือมิจฉาทิฏฐิถูกลูกศรคือมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็กลุ่มรุมแล้วก็ครอบงำมันแล้วถามว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าตัวเรานี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ คิดง่ายๆว่าถ้าเรามีความเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเห็นเป็นของตัวเองที่ขัดแย้งกับคําสอนนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้สังเกตง่ายๆนะถ้าเราเราในฐานะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าความมาตรฐานทั้งมวลเอาพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์เนี่ยนะเป็นเป็นเป็นเป็นผู้ชี้เนตเป็นผู้ชี้วัดเนี่ยนะเป็นตัววัดเป็นตัวดัชนีวัดว่าผิดหรือถูกชอบหรือดีเนี่ยนะ ผิดชอบชั่วดียังไงก็สุดแท้แต่พระพุทธเจ้าเพราะคนที่จะออกจากวัตตะนี่ถ้าไม่มีความไว้วางใจในพระพุทธเจ้าก็ไม่พนเว้นไว้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองหรือเว้นไว้แต่จะเป็นเป็นอะไรเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าส่วนพวกที่เหลือไม่อยู่ในวิสัยที่จะชำระสะสางมิจฉาทิฐิตัวเองได้เมื่อไม่อยู่ในวิสัยก็ต้องเอ า, อาคาสอนเข้าว่าทัานถ้าไม่เป็นไปตามคาสอนแล้วก็ โดยมากก็ตกภายใต้อำนาจของมิจฉาทิฐิทีนี้มันก็มีว่ามิจฉาทิฐิก็แบบค้านคําสอนต่อไปอีกมันก็จะแบ่งเป็นหลายระดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระภิสูรรูปหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิคัดค้านคําสอนของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าก็ไปไหนพระองค์ก็ตําหนิว่าเขาจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตาร ก, ก็เหมือนกับว่าพระองค์บอกทางตรงแล้วเนี่ยนะกเ็เอาเอาอุปกรณ์ ไปปิดทางตรงซะแล้วก็เปิดทางอะไรไปเปิดทางผิดเหมือนกับว่าประตูสวรรค์มีอยู่ก็ใช้บานที่เป็นประตูนรกเปิดงัดประตูนร ก, รนารกมาปิดประตูสวรรค์แล้วถามว่าจะไปไหนอ่า น, นะพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งวัฏตาให้เจริญอริยมรรคก็ปิดประตูอริยมรรคไปเจริญนิจฉามรรคแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งทางถูกมาเดินทางผิดก็ชีวิตก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแต่ถ้าตรงกันข้ามปฏิบัติตาม คำสอนละ่ะเนี่ยนะเพราะถ้าใจของเราไม่เป็นไปตามคําสอนทิฏฐิความเห็นของเราถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนก็ถือว่าอันตรายเนี่ยนะพยายามต้องนึกใส่ใจไว้เสมอว่าสิ่งนี้คําสอนพูดไว้อย่างไรพระองค์ตรัสไว้อย่างไรคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะแล้วก็รอดพ้นจากบ่วงมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยสอบสวนความคิดตัวเองทุกความคิดไม่ต้องสรุปเองทั้งนั้น อันนั้ถ้าเราสรุปเองได้อะไรได้ก็ไม่รู้จะนับถือพระพุทธเจ้าไปทําไมถ้าเราจะนับถือพระพุทธเจ้าเราต้องอิงไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรทิฏฐิของพระพุทธเจ้าตรัสบ้าอย่างไรกรรมสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเวสารัชยานของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรทศพลยานของพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งเหล่านี้อย่างไรอสาธารณยาณของพระพุทธเจ้า ตรักถึงสิ่งเหล่านี้อย่างไรยามที่กําหนดกําเนิดสีของพระองค์บอกว่าอย่างไงยามที่กําหนดรู้จักคติเหตุให้ไปสู่คติทั้ง5เป็นอย่างไรเนี่ยนะก็เอายามที่พระองค์เนี่ยไม่ติดขัดในอดีตอนาคตเป็นต้นเนี่ยมาสํารวจตรวจสอบเนี่ยนะถ้าไม่สํารวจตรวจสอบแต่ถ้าหากว่าแม้เช็คอะไรไม่ได้เลยตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยก็เจริญสัจทินซีไปก่อนเนี่ยนะเจริญศรัทธาอิติปิโสพระควาพระค่อยคิดไปเนี่ยนะให้ใจเนี่ย อยู่กับอิติปิโสอยู่กับคุณพระรัตนไตรไว้ตลอดเถอะให้ใจเป็นไปกับพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณตั้งใจอธิษฐานสมาทานรักษาศีลแล้วก็ทั้งความปรารถนาะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำไดก็ขอให้เราได้ตรัสรู้ทำมันด้วยก็ถือว่าตัวเองถือว่าโครงการระยะยาวไปเพราะไร้ความสามารถที่จะเรียกว่าจะเจริญที่จะข้ามได้ด้วยกําลังของตนเองว่าทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาะขอให้รู้ตามขอให้เห็นตามอย่าเพิ่งไปแอบองิงตัวทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่ง ถามว่าท่านมีทิฏฐิทั้งหลายว่ายังไงบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอย่างอนาถเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วท่านก็บอกว่ า, วาความเห็นทุกชนิดมันเป็นสังขารธรรมมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านเนี่ตกอยู่ภายใต้อำนาจสิ่งที่ไม่เที่ยงและมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตัวทิฏฐิมันไม่เที่ยงหรอก สัมมาทิธฐิยังไม่เที่ยงเลยจะกล่าวไปยายถึงมิจฉาทิฐิอ น, นะอาหารที่ดีมีคุณค่ากว่าไม่เที่ยงหรอกยาพิษที่ดื่มเข้าไปในท้องมันก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงของยาพิษกับไม่เที่ยงของอาหารต่างกันมัมยาพิษที่กลืนเข้าไปมันไม่เที่ยงแต่มันฆ่าคนที่กินอาหารที่บริโภคเข้าไปมันก็ไม่เที่ยงแต่ช่วยบำรุงรักษาชีวิตของผู้บริโภคฉันใดมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็ เหมือนกับอาหารที่มีพิษบริโภคเข้าไปแล้วก็แตกสลายแตกทําลายเดือดร้อนปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นเหมือนกับอาหารที่ดีพิเศษแล้วเหมือนกับยาชนิดที่คู่ควรแก่ความพ้นจากความตายเนี่ยเรียกว่าอมะตะโอสถเนี่ยนะมันเราก็ต้องพยายามแอบอิงทิฏฐิพรันธุศาสนาเนี่ยปฏิบัติผิดหรือถูกเอาทิฏฐิเป็นหลักถ้าเป็นไปตามสัมมาทิฏฐินั่นแหละปฏิบัติถูกถ้ามิจฉาทิฏฐิล่ะ ยังเงลืมว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันเนี่ยนะพูดทางสารนังคาฉามิพระพุทธเจ้าว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแหละมันก็คิดอย่างที่พระเจ้ามหานามาพาคิดเนี่ยนะใครจะพูดยังไงก็ว่าไปไปพระพุทธเจ้าว่างีเชื่อพระพุทธเจ้านะเออคนนี้เขาว่าอย่างนี้เขาว่าเชื่อพระพุทธเจ้าแราวนั่งคุยกันบางเรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้เขาเชื่อพระพุทธเจ้าสรุปว่าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เขาขอว่าตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระองค์ว่าไงก็ว่างั้นแหละ ตรงตรัดยังไงก็เข็นตามอย่างนั้นแหละคล้อยตามอย่างนั้นอ่ะถ้ายังไม่เห็นก็จะขอเห็นตามนี่แหละเนี่ยนะถ้าเราเห็นจริงอย่างที่พาาระพุทธเจ้าว่าอาจจะได้ดีไปแล้วนี่แสดงว่าต้องเห็นถัดยแย้งแหละทํายังไงจะได้เห็นให้มันเหมือนกันให้มันสอดคล้องกันให้มันตามกันเนี่ยนะก็สมาทานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตั้งใจไปเรื่อยๆในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ตามแต่ถ้าหากว่าไม่โอนไปตามไม่โอนไปหาพาาระพุทธเจ้านะถ้าเราไม่โอนไปตามพาาระพุทธเจ้าแล้ว แล้วถ้าเราโอนไปตามใจเราเนี่ยแม้แต่โอนไปตามใจเราเราต้องเช็คให้ดีว่าใจตัวนี้มาจากไหนสมมติถ้าเรามีลัที่อันใดอันหนึ่งขึ้นมาในความคิดเนี่ยต้องตรวจสอบได้ว่าความคิดอันนี้มาจากไหนสูตรเนี้ยปรุงมายังไง